ก็ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ผิดบอกให้รู้เฉยๆทําไม่ได้ยากให้ทํำง่ายกว่าให้ปลูกแต่งง่ายกว่าให้เดินข่านนั้นให้นั่งท่านี้หายใจอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำง่ายให้รู้ไม่ทายากหบอกเขาบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องใจถึงนะต้องใจถึงใจไม่ถึงทําไม่ได้ พราเราเอาใจถึงก็ใจถึงต่อไปนี้จะเข้ารู้ลูกเดียวเลยรู้อยู่อาทิตย์สออาทิตย์เราเข้าใจแนละ้วว่าหลวงพ่อบอกให้ทำอะไรการปฏิบัติทำเอาไม่ได้นะต้องรู้เอานี้วันนี้มีลูกศิษย์มัดป่าหลายคนคุยเรื่องสัมมาสมาธิให้ฟังหน่อย ส ม, สมาธิเป็นสมาธิของพระพุทธศาสนานะส่วนสมาธิทั่วๆไปมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมาธิทั่วๆไปก็ทําเพื่อให้จิตใจสงบทําเพื่อให้จิตใจสบายฝึกมากๆบางคนก็จะไปเคลิ้มๆ เ, นะเหลือความรู้สึกตัวอยู่นิดเดียวรีบวีรีบวีแหมสบายไม่คิดไม่ได้อะไรสบาย ร่างกายก็ไม่มีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีความเจ็บป่วยรู้สึกดีดีบางพวกฝึกไปอีกแนวนึงฝึกกำหนดไปเรื่อยเลยนะดูกำหนดกำหนดกำหนดไปจิตดับหมดความรู้สึกตัวเลยที่เรื่องอสั ญ, ญีอสัญญาสัตตาภูมิรมรูปปัจจุบันใส่เล่มรมรูปปักบางพวก กำหนดใปเหลือแต่กายบางพวกกำหนดเหลือแต่นามธรรมาหรือความรู้สึกอยู่นิดหน่อยความรู้สึกอ่อนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะหมดความรู้สึกนี่สมาธิเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเป็นเป็นที่หลบภัยเป็นที่พักผ่อนนี่พวกเราเดินทางยาวไกลในสางสารวัตรพวกเราขึ้นเคยกับสมาธิชนิดนี้ เวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามีแต่สมาธิชนิดนี้สมาธิสงบเพราะฉะนั้นเวลาเราลงมือปฏิบัติที่ไรเราพยายามจะทำสัมมาสมาธิทำทีไรมันก็พลิกไปเป็นมิจฉาสมาธิอยู่เลยทำเพื่อน้อมเข้าหาความสงบสบายนี่ตัวสัมมาสมาธิแท้ๆไม่เกี่ยวกับความสงบในขณะที่จิตฟุ้งซ่านจิตก็เป็นสมาธิอยู่ ในขณะที่จิตสงบจิตก็เปสมาธิอยู่สมาธิอันนี้มีอยู่ได้ตลอดเป็นสมาธิที่มีอยู่ได้ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ต้องเกิดกับนี้ที่หลับอยู่ไม่มีคือมันคือภาวะที่จิตใจของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกกิเลสหรือกุศลครอบงำ จิตใจเป็นหนึ่งเป็นตัวของตัวเองเป็นเอโกที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งในพระไตรปิฎกใช้คำว่าทำเอกจิตมีธรรมอันเอกคือจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งหมายถึงว่าอารมณ์ทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตใจไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายไปกับอารมณ์นี้จิตใจที่หวั่นไหวยินดียินร้ายไปกับอารมณ์คือจิตที่มันแล่นตามอารมณ์ไปตามองเห็นรูปใจเคลื่อน ไปที่รูปนะอย่างบ่อยมองเห็นแฟนเราเดินมาใจไปอยู่ที่คเขาใจเคลื่อนไปลืมตัวเองใจไม่ตั้งมั่นไม่เป็นหนึ่งหรือแฟนไม่เดินมาคิดถึงแฟนใจไหลเข้าอยู่ในความคิดใจไม่ตั้งมัน่นหน้าที่ของเราวิธีการที่จะทําให้ใจตั้งมัน่นมันมีสองวิธีนะสัมมาส ม, มาธิเนะียอันหนึ่งใช้ส ม, มาธินํา อีกอันหนึ่งใช้ปัญญานําถ้าใช้สมาธินําอย่างเช่นในวัดป่าเรานี่ยชอบใช้สมาธินําเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปในบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆหรือหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าดูลงไปเรื่อยๆนะทําใจสบายๆเคลยดลับอยู่ที่ทําใจให้สบายทําใจเคร่งเครียดใช้ไม่ได้เนะจิตใจจะพัฒนาไม่ได้เ เพราะฉะนั้นต้องเอาสตินี่แหละเราริ่กรู้ทําบริกรรมเราเริ่รู้ลมหายใจเราริกรู้ท้องทลองท้องยุคเราเริ่กรู้การยกเท้าย่างเท้าการขยับมืออะไรก็ได้จะเพ่งลูกแก้วเพ่งเทียนเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งลมหายใจเพ่งอะไรก็ได้บริกรรมก็ได้แล้วค่อยๆสังเกตไปว่าอารมณ์ ที่เราใช้ทํากรรมฐานเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้เอย่างพุโทโธนี่ถูกรู้รวมไปใจถูกรู้จิตที่รู้พุโทโธนี่อยู่ต่างหากค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอย่างเราพุโทโธพุโทโธใจไปจ่ออยู่กับพุโทโธก็รู้เใจเคลิ้มไปก็รู้ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นๆก็รู้นี่เราพุโทโธเพื่อเข้ามาให้รู้ทันจิตใจตนเองครูบาอาจารย์รัตป่าท่านจะสอนว่า คำว่าพุทโธนั่นย่างไม่ใช่พุทโธคำบริกรรมว่าพุทโธเป็นแค่คำบริกรรมอย่างหลวงปู่มั่นไปบอกชาวเขาว่าท่านหาพุทโธอย่างเดินจงกรมหาพุทโธหมายถึงหาจิตหาใจตนเองว่าจิตนั่นอะไรคือพุทโธจิตนั่นอะไรคือพุทธะฝึกบริกรรมพุทโธเพื่อจะสังเกตจิตให้ออกว่าจิตอยู่กับพุทโธก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้พุทโธถูกรู้ ตอนนี้พอพุโทโธถูกรู้แล้วพูดที่รู้พุโทโธเนี่ยมีอยู่ต่างหากถัดจากนั้นพอเราเลิกพุโทโธพอตาเห็นรูปเราก็รูปถูกรู้ได้ยินเสียงเสียงก็ถูกรู้เวทนาก็ถูกรู้ตั้งกายก็ถูกรู้ความสุความทุกข์ถูกรู้ความจําถูกรู้ความคิดก็ถูกรู้ค่อยคแยกแยกแยกไปจ ะ, จะแยกขันห้าออกไปการที่สามารถจำแนกขันห้าออกเป็นส่วนๆได้ เป็นวิธีการของศาสนาพุทธศาสนาพุทธจะสอนให้เรารู้จักแยกแ ย, กแยกนะเป็นวิพัชวาทีชื่อวิพัชวาทีวาสระอิทพอเป่าไมหายอากาศชอช้างจนะมีพั ช, ชวาทีสังให้มองทุกสิ่งทุก อ, อย่างโดยกันจำแนกแยกแยะออกไปในปรากฏการณ์หนึ่งหนึ่งเกิดจากเหตุผลเยอะแยะแยแยกแยกออกไปนะ อย่างร่างกายเราประกอบด้วยธาตุเยอะแยะประกอบด้วยรูปจํานวนมากประกอบด้วยเจตสิกจํานวนมากที่เป็นตัวเราขึ้นมาประกอบด้วยจิตที่หลากหลายที่จะหัดแยกไปเรื่อยๆเหมือนอย่างเห็นรถยนต์คันหนึ่งล้วก็มา น, นั่งดูว่ามันประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆในที่สุดก็เข้าใจความจริงว่ารถยนต์ไม่มีอยู่จริงรถยนต์เป็นการประกอบกันขึ้นของส่วนประกอบจํานวนมากเหมือนกับตัวเราตัวเราไม่มีอยู่จริง เป็นส่วนประกอบขึ้นมาของรูปปัธรรมปันนามธรรมจำนวนมากเจนะจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีตัวตนเรียเรียกว่าการเดินปัญญาการทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าเราพุโทโธพุโทโธเอาเคลิ้มเอาสงบเราเดินปัญญาต่อไม่ได้นะอีกแนวทางหนึ่งถ้าไม่เริ่มมาจากพุโทโธก็คือใช้ปัญญาแยกแยะเข้าไปเลยนะ สมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนกั่โลวู ด, ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองกลับมาขึ้นรถไฟมาจากสุรินทร์ก็ตกใจแนละ้วเพิ่งนึกได้ว่าท่านบอกให้ดูจิตยังไม่รู้เลยว่าจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่างเดียวควรจะปลื้มใจเจอครูบาอาจารย์พอตกใจทำใจให้สบายก่อนพุทโธพุทโธให้สบายใจอันนี้พุทโธให้สบายใจนะ น, นี่ทาสบายใจ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่การทาสมาธนะิทำพุโทโธให้สบายใจพอใจสบายแล้วใช้ปัญญาแยกแยะดูท่านบอกให้ดูจิตเลยจิตจะอยู่ที่ไหนจิตอยู่ข้างนอกเราได้ไหมไม่ได้จิตต้องอยู่ในร่างกายเหล่านี้แหละเข้าสังเกตลงไปเลยในเส้นผมมีจิตไหมไล่ตั้งแต่ผมเลยเออในผมเนี่ยสัมผัส ด, ดูไม่เห็นมันจะมีจิตอยู่ตรงไหนเลย นะไล่ไปก็จิตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เดาๆอาอกมันอยู่ในผมไม่เป็นก็ไม่มีไล่ตั้งกับศีรษะถึงเท้าเลยเอืจิตไม่ได้อยู่ในวัตถุนะจิตไม่ได้อยู่ในวัตถุที่ประกอบกันเป็นกายแต่ จ, จิตอยู่ในกายนี้แหละนะหรือว่าจิตคือความรู้สึกสุขหรือสึกทุกข์เอาลนะทําใจสบายดูไปที่ความสบายใจนะในความสบายใจไม่เห็นมีจิตเลย นั่งดูสบายๆแล้วความสบายก็ดับไปไปเป็นความเฉยๆนั่งดูความเฉยๆไปนานๆชักจะกลุ่มใจโอ้ตายแล้วอาจิตไม่เฉยชักรุ่มใจในทุกเกิดอีกแล้วโอ้ความไม่สบายใจเกิดในความไม่สบายใจก็ม ไ, มจมไม่มีจิตอีกต่อมาใจมันแว๊บไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะสัญญาขุดขึ้นเป็นเรื่องๆสมมุติว่าถ้ารู้จักบ่อยเนี้ยนั่งรถไฟอยู่ใจลวไปถึงบอยโอ้ตรงที่แว๊บมานี้ก็ไม่มีไม่มีจิต แล้วจิตอยู่ที่ไหนหาไม่เจอหรือจิตคือความคิดเอาละไหนๆก็จิตเป็นความคิดตอนนั้นก็อย่างนี้เพราะงั้นเราจงใจคิดมันเลยสวดมนต์ในใจก็คือการคิดนั่นเองพุทธโธสุสุโธกรุณามะหันโนโยันตัสสุทัพอริยานะโลจนโนดูไป ใ, ในตัวความคิดที่ไหลขึ้นมาเนี่ยไม่มีจิตจิตเป็นตัวไปรู้ความคิดนี่เอง อ๋อจิตเป็นคนที่ไปรู้รูปจิตเป็นคนที่ไปรู้เวทนาจิตเป็นคนที่ไปรู้สัญญาไปรู้สังขารคือความเปลีแ่แปลงทั้งดีทั้งชั่วพอฝึกมาถึงตรงนี้พอเฝ้าสังเกตถึงตรงนี้นจิตการมณ์แยกออกจากกันพวกเราฝึกมาช่วงหนึ่งเคยสังเกตรูร้จักเราใช่ไหมที่จิตกับอารมณ์ต่างคนต่างอยู่บางทีก็ไหลไปรวมกันใครดูออกไหมใครเห็นไหมแต่ละคนมีไหม หรือรวมตลอดหรือว่าแยกตลอดอะไรนะเราจะเราจะเห็นเลยบางทีจิตเราก็เคลื่อนไปไปเกาะเข้ากับสังขาร <c oughs> ดูไปดูไปเอ้าไอ้ น, นี้มันถูกรู้ตัวรู้มันก็นถอดออกมาอีกเหมือนจะวิ่งเข้ายิ่งออกได้โอ้ดีใจเจอจิตแล้วนีวิ่งเข้าวิ่งออกได้ะ กลับมาถึงกรุงเทพโ อ, อ้กว่ามันจะแยกออกจากกันยากนะระหว่างจิตกับอารมณ์มันชอบเป็นรวมกันะพยายามออกแรงดึงมันโง่นะไม่มีวิธีการอะไรหรอกทำโง่เลยคือเอากําลังจิตไห้ดึง ม, มันออกมาให้มันแยกออกจากอารมณ์มันก็แยกออกมาแป๊บเดียวเข้ า, า, นน า, เาไปรวมอีกแล้วดึงอีกเจ็ดวันมันจะแยกอยู่ต่อไปอีคราวนี้อยู่สองสามนาทีเข้าไปรวมอีกไม่ทํายากมากเลยมันไม่รู้วิธีการครูบาอาจารย์ไม่ ให้กันบ้านแล้วไม่เคยช่วยทำกันบ้านพวกเรานี่ชอบให้เฉลยกันบ้านเลยฝนะ <c oughs> ึกมากข้าวมากข้าในที่สุดโอ้ยแบบเกื่อนใหญ่จิตมันจะแยกออกจากอารมณ์ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์เป็นกลาวกล่าวไปอัดอยู่ที่หน้าอกดีใจทำสามเดือนเลยนะรีบไปรายงานหลวงปูดจุนท่านคงจะชมแนละ้วตอนนี้เราพ ย, ยายามขยัน บอกท่านหลวงปู่ผมเจอจิตแล้วจิตเป็นยังไงจิตมันทําอะไรได้สารพัดอย่างนะมันไหลลงไปรวมกันก็ได้มันแยกออกมาก็ได้นะท่านบอกไปดูใหม่หนนะั้นมันอาการของจิตนะที่เคลื่อนไปเคลื่อนมามันอาการของจิตจิตจริงๆไม่มีการไปการมาเลยหรอกคือจิตมันคือคนที่รู้ว่าเคลื่อนไปเคลื่อนมานะอย่างเราเห็นมันไหลหไปรวมกันไอ้นี่ก็ถูกรู้ เราเห็นมันถอด ถ, ถอนออกมันก็ปลูกรู้เหมือนกันสองอันมีค่าเท่าๆกันเพราเสียเวลาไปสามเดือนนะเพราะว่าไปเรียนมาไม่รอบคอรอบไม่ถามท่านให้รู้เรื่องว่าจะปฏิบัติอย่างไรคราวนี้เอาใหม่กลับมาบ้านมันนั้งดูไปจิตถ้าไปยึดอารมณ์อยู่ก็รู้จิตแยกออกจากอารมณ์ก็รู้นะ จิตมีราคาก็รู้ราคาดับไปก็รู้โทสะเกิดขึ้นมาก็รู้ทันโทสะดับไปก็รู้ทันสุดจริงๆอยู่ในชีวิตจริงๆตอนนั้นรับราชการอยู่สภาความมั่นคงตื่นขึ้นมาเช้าๆจิตเป็นยังไงดูไปเลยวันนี้สดชื่นรู้ว่าสดชื่นวันนี้เศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมอ ง, มอ ง, มองดูไปเพราะงั้นถ้าจะพูดไปแล้วตัวหลวงพ่อเองเนี่ไม่ใช่ทำมาจากสมาธิ จะเริ่มต้นโดยการใช้ปัญญาเข้าไปสังเกตเข้าไปแยกแยะขันห้านั่นเองไม่รู้หรอกว่าในตํารามันมีในตําราพิธรรมก็เรียกว่านามรูปปริษเฉทญาณการแยกขันหานี่เองแยกรูปแยกนามไปรูปกับ น, นามกายกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งนหรือ ใ, ใจก็ประกอบด้วยเจตสิกความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความจําได้หมายรู้ความคิดนึอปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วนั่งยู่ไปแยกไปด้วย เห็นทุกอย่างนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเช่นเวลาโกรธขึ้นมาก็ดูว่าโกรธเขารู้ทันว่าโกรธมันจะโกรธ ถ, ถึงไหนก็ช่างมาันไม่เกี่ยวกับเราอย่างไม่ใช่นั่งแฉะนะพวกเร า, าระวังให้ดีพอโกรธขึ้นมาเว่าจะไปโกรธเลยโกรธเขาไม่ดีเอนั่งแทนมเมตานั่งโยงงนอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ตายเขาก็ตายอู้สารพัดอุบายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ก, บการจะเลยมปัาสนาเลยนั้นทำไปเพื่อให้ใจสงบ ถ้าอยากให้ทําวิปัสสนาเขารู้ลงไปใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เรื่อยๆความเกลดเกิดขึ้นใจเราก็สักแต่รู้สักแต่เห็นใจเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูอยู่เลี้ยงใจมันมีสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสั ม, มาสมาธินี่มีตลอดเวลาไม่ใช่มีตอนเป็นนั่งยืนเดินนั่งนอนจิตใจจะต้องมีสัมมาสมาธิตลอด จิตใจเป็นกลางเป็นตัวของตัวเองอยู่กุศลเกิดขึ้นก็รู้อกุศลเกิดก็รู้สุขเกิดก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้ก็รู้ไปเรื่อยๆร่งรงรางกายเคลื่อนไหวก็รู้ไปอะไรก็ได้ให้มันมีสองอันไหมให้มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ฝึกแยกไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็พัฒนาของมันเองไม่ใช่หน้าที่ของเราครับหน้าที่ของเราเพียงแต่มีสติระลึกรู้สภาวธรรมที่กาลังปรากฏ นี้การระลึกรู้จะทําได้ใจต้องไม่อินเข้าไปไม่ไหลเข้าไปไม่หลงเข้าไปใจตั้งมั่นนะเป็นตัวของตัวเองอยู่สัตว์จะรู้สัตว์จะเห็นอยู่ไม่กระโจนเข้าไปรู้นี่แหละคือตัวสัมมาส ม, มาธิเงั้นอย่างน้อยต้องทําตัวนี้ให้ได้นะจะเริ่มมาจากพุโทโธก็ได้จะเริ่มมาด้วยการแยกขันอเลยก็ได้สายหนึ่งก็คือสมถญ า, านิกเดินมาด้วยสมถ า, าก่อนแล้วก็มาแยกให้เกิดัญญาทีหลัง สายหนึ่งเอาปัญญานำไปเลยแยกไปเรื่อยแยกไปเรื่อยจิตรวมไปเองเพราะว่าในที่สุดเนี่ยผู้ปฏิบัติแต่ละคนจะต้องมีทั้งสองอย่างจะต้องมีทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ทั้งสองอย่างไม่มีใครบรรลุด้วยอันใดหนึ่งอย่างเดียวการเข้าถึงสภาวธรรมนะต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญา เพราะฉะนั้นจะเอาอะไรเรื่อง ก, ก่อนก็ได้แต่ขอให้มันพัฒนาไปจนมันมีสองอย่างนี้แหละออใครมีอะไรเชิญ mm hmm. เดี๋ยวนี้รู้แกย่าดโยมพูดไปถึงสิบโมงนะเอาเลิกดี๋ยววิ่งเข้ามาถามต่อ <laughs> <laughs> นู่นสโมงสังเกตไหมใจของเราไม่ตั้งมั่น แต้เราแต่ะคนไหลไปหมดแล้วดูออกไหมไหลไปที่ความคิดมากไหลไปที่เพื่อนมากไหลไปคนที่นั่งข้างๆเรามากไหลไปเรื่อยๆหน้าที่คอยรู้ให้ทันไหม <c oughs> นะถ้ารู้ไม่ทันก็คือหลงนั่นเองหลงไปแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วก็คือจิตไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีธรรมเพกไม่เป็นหนึ่งแล้แต่เป็นหลายเลยะ <c oughs> เป็นสองสามสีห้าไปโน่น <c oughs> เป็นไงหลงได้ที่แล้วยัง นีวิีคิดเอาเห็นไมพอเลิกเจ้าชู้เนี่ยัะสบายขึ้นไมกลับไปเจ้าชู้อีกย่างเราเจ้าชู้ไม่ดีนะเราก็ยังไม่อยากให้แฟนเราเจ้าชู้เลยนะมันเห็นเกดตัว Elegance. กลางวันก็มันก็มีความสุขที่มาเองเน่ยใชโดยที่โดยที่แบบมันก็แบบสบายๆของมันดีอย่างเงี้ยเีลยก็รู้ไปมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นเป็นอย่างนั้นครับให้รู้เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ใช่โหยหาเมื่อเช้าสายๆรู้อะไรเนี่ย <c oughs> นะรู้ให้ทัน จริงๆแล้วการเจริญสตินะเป็นศาสตร์เฉพาะของภัสนาพุทธการเจริญสติปัฏฐานกันทำวิปัสนาของคนอื่นไม่มีแต่การนั่งสมาธิเนี่ยมีมาตลอดหรือสีชีพไรเขาก็นั่งกันดังนั้นเราต้องระมัดระวังอย่าให้เข้าไปติดความส ง, งบอยู่หนะลวงปูมม่นแต่งกรนะ่ขันเทวิมุตตสังคีระวังอย่าให้จิตไปติดเฉย ปฏิบัติจนใจเฉยไปเกาะอารมณ์มนิ่งแช่เพลินเลินใช้ไม่ได้นะเพรานให้จิตมันเคลื่อนไปร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้ทันร่างกายเราเคลื่อนไหวเช่นมีธาตุไหลเข้าไหลออกหายใจเข้าหายใจออกรู้ทันมันไม่เผลอแล้วนะไม่เผลอไปที่อื่นเราก็ไม่เป็นหลงเท่งหลงหายใจร่างกายนั่งแล้วก็กระดุกกระดิก ก็รู้ทันมันเคลื่อนไหวก็รู้ไปสักแต่รู้สักแต่เห็นไปเรารู้กายเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะนะรู้เวทนาก็เพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะรู้จิตรู้ธรรมก็เพื่อสติสัมปชัญญะการเจริญสติปัฏฐานมี4วิธีการสีอารมณ์มีอารมณ์4อย่างกายเวทนาจิตธรรมแต่ทําไปเพื่อสิ่งเดียวกันคือทําไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวไว้พอเรารู้สึกตัวเราไม่หลง เราก็จะเห็นสภาพธรรมะทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงนี่ตรงนี้ตางหากที่เราต้องการเราต้องการรู้ว่าจริงๆเนี่ยธรรมะเป็นยังไงรูรรปธรรมนา ม, มันทําเป็นตัวของเราจริงไหมขันห้าเป็นตัวของเราจริงๆริงไหมเราต้องการรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้ารู้ลงไปเฝ้ารู้ลงไปว่ามันเป็นตัวของเราไหมอย่าไปคิดเอาว่าไม่ใช่ตัวเราคิดเท่าไหร่มันก็เป็นเราคิดอยู่นั่นแหละ นะคิดไปคิดไปก็เลยไปหลงผิดอีกว่าโอ้เราเก่งเราคิดเก่งเราเข้าใจธรรมะนะไม่ใช่ใครอื่นนะหลวงพ่อเองเลยเคยหลงตอนเป็นนักศึกษาไปบวชวัดชนตะานหลงพ่อปัญญาท่านเรียกไปหาอา้าคุณเอานังสือไปอ่านเองเนะให้นังสือของท่านอาจารย์พุทธชาตนะิเนี่ยนั่งอ่านโอ้ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น พราต่อไปนี้เราไม่ยึดอะไรสักอยาก่างเราก็สบายแล้วในเราเนี่ยตัวไมเลือเลยเพราะเราจะไม่ยึดอะไรแล้วทีเนี้ยไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนไม่ดีหรือครูบาอาจารย์สอนผิดนะแต่เราโง่เองหน้าที่ของเราคือเข้ารู้ลงไปว่าใจเราไปยึด ก, ก็รู้รู้ทันลงไปใจเราเป็นยังไงก็รู้ทันลงไปไม่ใช่ไปคิดเอาเองว่าเราจะไม่ยึดอันโน้นจะไม่ยึดอันนี้ คิดยังไงมันก็แอบยึดแหละอย่างน้อยมันก็ยึดความคิดสมัยพุทธการเคยมีจําชื่อไม่ได้ที่ไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าความเห็นทิฏฐิทั้งปวงไม่เหมาะไม่ควรกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ยึดถือความเห็นใดๆทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นก็อย่างยึดในความคิดเห็นอันนี้ด้วยเลยง่ายท้องกลับมาเวลาถ้าเราไปคิดเราเองนะว่าไม่มีตัวมีตน เราก็จะไปยึดเอาความเห็นตามใจชอบแต่ถ้าเราสามารถรู้สึกตัวได้มีสติสัมปชัญญะได้เราเห็นรูปธรํานามธรรมพวกเกิดขึ้นมาดับไปตามความเป็นจริงมีเหตุเขก็เกิดหมดเหตุเขก็ดับไม่ใช่เกิดจากการที่เราไปแทระใจหรือบังคับเขาได้เราจะเข้าใจความจริงว่าเขาเป็นอนัตตาบังคับเขาไม่ได้นะเช่นความโกรธเนี้ยพอใจเราไปกระทบอารมณ์หูเรากระทบเสียงดา่า ความจริงหูกระทบเสียงเฉยๆไม่ใช่เสียงดา่าแต่หูกระทบเสียงปั๊บเราแปลได้สัญญามันทำงานได้อ้อนิดาระดาเขาต้องโกรธตามประเพณีใช่ไมเพราะเคยโกรธเรามีอนุสัยเรามีนิสัยที่เคยโกรธถูกดา่าออกแต่ว่าเขาดา่าต้อโกรธขึ้นมามว่าเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยนะความโกรธโทสะนะเป็นสภาพธรรมะอันนึงเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุ เหตุก็คือจิตใจเราได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจโทสะก็เกิดพอเรามานั่งดูโทสะเกิดอโทสะดับไปแล้วเราก็เกิดความหลงผิดโอ้โทสะดับเพราะเราไปดูเป็เข้าความจริงไม่ใช่โทสะดับไม่ใช่เพราะเราไปดูเป็นข้าแต่ขณะที่เราไปดูโทสะเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธต้นเหตุที่ทําให้โกรธมันไม่มีเหตุของมันดับไปโทสะมันก็ดับ เนีขับรถอยู่คนปาดหน้าเราโกรธเราโกรธเรามาดูจิตใจของเราเราดูอยู่ที่ความโกรธเราลืมดูไห้คนที่ปาดเราลืมคิดเรื่องเขาขับรถปาดเราความโกรธไม่มีเหตุความโกรธก็ดับเมืเราเฝ้ารู้สภาพธรรมะตามที่เขาเป็นแล้วเราจะเห็นเลยว่าธรรมะทีแรกเนี่ยสภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเราก็รู้ทันอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันว่าเกิดขึ้นมาแล้วดับไปก็รู้ว่าดับไปแล้ว ปัญญาขั้นต่อมาก็จะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันไม่คงที่หรอกถ้ามันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปนี่มันแสดงความจริงให้เราดูคือแสดงไลรักให้เราดูยนี้เป็นปัญญาขั้นที่สองพปัญญาขั้นที่สามเกิดขึ้นี่จะเป็นการปล่อยวางอนะ่ะจิตเขาจะวางเองเขาจะเห็นว่าความโกรธเป็ของบังคับไม่ได้อารมณ์อื่นๆก็เช่นเดียวกันเขาจะเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายนะไหลามาแล้วก็ไหลไปเขาก็ปล่อยของเขาทิ้งไปเอง เขาเป็นตัวเขาเองเพรา ะ, ะั้นทำให้จูกนะไม่ใช่นั่งแก้เอยายาบิวเป็นไงนี่ยังทำอยู่รึไหมใจมันแข็งๆดูออกไหมถ้ารู้ทันรู้ไปทีละขณะนะอย่ากลัวเผลออย่ากลัวหลงอย่ากลัวกิเลสนะกิเลสเกิดแล้วเราคอยรู้ไปกิเลสก็เป็นธรรมะเหมือนกันเรื่องอกุศลธรรม ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะถ้าแต่จะคิดว่าจริงๆแล้วปฏิบัติมันไ ม, ม่ถูกไม่ถูกติดมันมีแต่รู้กับไม่รู้เนี่ยคิดไ ด, <ม>ด้บางทีเนี่ยพนาพนาภาวนาไปเอ๊ะเราทำผิดอิู่หรือปล่านั้นก็รู้ว่าสงสัยไปเลยเอรู้ว่าสงสัยไปเลยสงสัยรู้ว่าสงสัยนั้นถูกต้องนะปฏิบัติถูกต้องน ะ, นะถ้าสงสัยว่าแอ๊ะที่ทําอยู่นี่ถูกหรึเปล่านะคิดใหญ่เลยเนี่ยถูกหรอกนะ ถูกหลอกละในตำราในคำพีท่านถึงสอนสติปัฏฐานทำไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะเพื่อความรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวได้เราก็จะเริ่มเห็นความจริงอีกถ้าเมื่มอใดจงใจรู้สึกตัวความทุกข์ก็เกิดเราดูไปเรื่อยๆจะเห็นกระทั่งตัวสติเองก็เกิดดับเกิดดับบังคับไม่ได้ จะเห็นเลยรู้ก็บังคับไม่ได้นะบังคับให้รู้ก็ไม่ได้เผลอจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีแต่เรื่องห้ามไม่ได้สักอย่างนปรุงแต่งตรงใจเอาไม่ได้สักอย่างหนึ่งถ้าตึกมากเข้ามากเข้านะเราจะเหลือสภาวะทำสองอย่างคือขณะจิตนี้รู้สึกตัวอยู่หรือขณะจิตนี้เผลอไปแล้วถ้าเผลอไปแล้วเนี่ยก็จะไปปรุงแต่งถ้ารู้สึกตัวอยู่ก็ไม่ปรุงแต่งรู้แล้วจบ แต่ถ้าเผลอไปไม่รู้สึกตัวก็จะไปปรุงแต่งในสารพัดเลยปรุงแต่งดีก็ได้นะโอ้เราเป็นนักปฏิบัติเดี๋ยวเราไปหายใจเข้าหายใจออกนี่นั่งปรุงแต่งนั่งคิดนึกเอาไปยกเท้าย่างเท้าไปดูท้องของท้ายกไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะงดีในขั้นต้นแต่ว่าต้องพัฒนาต่อไปก็ให้รู้ทันนั่นก็คือความปรุงแต่งฝ่ายดีศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเนะ พ่อแม่ของความปรุงแต่งฝ่ายดีก็คืออาวิชาพ่อแม่ของความปรุงแต่งฝ่ายเลวก็คืออวิชาเหมือนกันพ่อแม่ของการปรุงแต่งฌานสมาบัตินั่งเท่งเงียบก็คืออวิชาเหมือนกันท่านถึงสอนบอกอวิชาเป็นปัจใจัยให้เกิดสังขารสังขารมีสามอย่างสังขารฝ่ายดีศีลสมาธิปัญญาสังขารฝ่ายชั่วโลภะโสดาบัโมหะแล้วก็ฌานสมาบัติ เนนชาพิสังขารสังขารอันที่สามทำไมบางทีมันมารู้ตัวขึ้นมาเองว่าตื่นต่อมามันก็จะเก่งเลยครับตรงที่มันรู้ตัวขึ้นมาเองมันถูกแล้วเพราะความรู้ตัวนี่ไปทําขึ้นมาผิดแต่ว่าถ้าเมื่อไรสติของเราสามารถระลึกรู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงในปัจจุบันเนี้มันจะรู้สึกตัวขึ้นมา พอรู้สึกตัวขึ้นมาวับเดียงเนี่ยมาหากรุสเลจิตดวงนี้ก็ดับอีกแล้วบังคับไม่ได้เยตอนที่มันเกิดก็าบังคับไม่ได้มันเกิดขึ้นมันเองตอนที่มันจะดับก็บังคับไม่ได้เราเกิดโลภะขึ้นมาอู้รู้ตัวแล้วจะต้องรู้ให้ต่อเนื่องนะจะต้องไม่เคยหยีก็ เ, เลยเกรงเพราะนั้นทําไปด้วยโลภะอีกแล้วจิตเป็นอกุศเลจิตอีกดวงหนึ่งคนละดวงกับตัวแรกดวงแรกเป็นโมหะเสือไป ดวงหลังนี่มีโลภะฟางรู้ไปทีละขณะแล้วก็จะเห็นเลยว่ากิเลสแต่ละตัวเกิดดับเหมือนกันกุศลเกิดดับเหมือนกันรั้ไหมเออก็ตั้งค่าไปเรือยๆว่าตั้งค่าหรือเปล่าตอบยิได้ว่าเป็นก็แมวรู้ไปเลยนะอย่างสงสัยรู้ว่าสงสัยมันไม่ได้ตั้งค่า ตั้งค่ามันคล้ายๆเคยดูหนังสบู่ไหลใช่ไหมคนรุ่นนี้เคยดูเมื่อก่อนก่อนมันจะฟันกันแล้วมันตั้งค่าเป็นวันๆเลยแล้วมันฟันกันจึ๊กเดียวให้นักปฏิบัติเข่าเหมือนกันแทนที่จะเฝ้ารู้ฟันโกลมๆไปเลยนะไม่เราตั้งค่าเกลงอยู่ตั้งวันหนึ่งกิเลสโตมาให้เห็นแว๊ดเดียวเห็นนิดเดียวแล้วก็ซื่อๆอยู่กันตั้งวันเนี่ยที่เรียกว่าตั้งท่า ต้องทําไม่รู้ไม่ชี้เลยเดินผ่านนะเดินสวนแกกิเลสเล่นเลยพอผ่านมาก็รู้ทันก็รู้ปล่อยให้เขาทํางานนะอย่าไปบังคับใจของตัวเองปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี้กระทบอารมณ์ตามธรรมชาติเพราะฉั้นพอกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติแล้วปล่อยให้มันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติเดินไปเห็นดอกไม้สวยรู้ว่าดอกไม้สวยใจชอบรู้ว่าชอบ ให้เข้ารู้ลงไปอย่างนี้แนละ้วไม่ใช่คอยจ้องอยู่ที่ใจก่อนเอาละจ้องเรียบร้อยแล้วจะดูดอกไม้แล้วนะหนึ่งสองสามดูใจของเราเฉยใจของเราเป็นกลางแม้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นงู้งเลยหะนะนะพอจะไม่ออกไหยนะเพราะงั้นตาหูจบูกลิ้นกายใจนี้นะให้กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดปฏิกิริยานะ ยินดียินไล่เกิดกุศลอกุศลต้องรู้ไปตามธรรมชาติอย่าไปจ้องรอไว้ก่อนถ้ามาจ้องอยู่ที่ใจนะอาะ่านรับผกระทบอารลมณ์แล้วมองแล้วนะนะเฉยเฟังแล้วนะนะเฉยนะอาจา ร, รย์ตันท่านถึงนินทานะบอกลุกศิษย์หลวงพ่อตาโม้่เห็นมีแต่เพ่งจิตไม่เห็นมีใครดูจิตเลยเ <c oughs> นะป็นนั่งจ้องอย่างนั้นนั่นเพ่งจิตนะจ้องดูสิเมื่อไหรกิเลสจะเกิด นั่นแหละเกิดกิเลสตัวที่เราไม่รู้แล้วเราหล ง, งเราป็นย่องไม่เป็นไรขอให้รู้ทันเท่านั้นนะเริ่มต้นจะทําอะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันเอาถ้าไม่ยอมเริ่ม อ, อะไรเลยสักอย่างบ า, างทีก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะงั้นเริ่มต้นจะทําความสงบ ก, ก่อนอยังได้ไหมทาใจให้สงบไปเลยนะพุโทโธพุโทโธหายใจไปเรื่อยายใจสบายหายใจสบายรู้ว่าสบายใช้ได้ลนะ นะต่อมาเห็นเลยว่าตาอุ้ยจมูกลิ้นใจใจกระทบอารมณ์นะใจที่เคยพุทธแล้วสบายนี่เริ่มไม่สบายแล้วีเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก้ารู้ตามรู้ไปเรื่อยนะมีปรัชสสนาไม่ใช่เป็นการปรีบตัวรู้ล่วงหน้านะคําว่าอนุปรัสนานะแปลว่าตามรู้ไปตามเห็นไปอะไรปรากฏขึ้นมาก็ตามรู้ตามเห็นไปตามที่มันเป็นนะกายยันปรัสนาก็คือกายกับอนุปรัสนาตามรู้กายกัน นะการจะคู่จะเหยียดจะหายใจเข้าหายใจออกตามรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปจ้องจ้องแข็งเลย อ, อาละจะกระดิกมือละกระดิกนะกระดิกแล้วยกมือแล้วโอ้กระตั์นะ <c oughs> เบื้องต้นทําอย่างนั้นได้แต่ว่าเบื้องปลายต้องทิ้งมันให้ได้นะมันงั้นเสร็จเลยมันไม่ใช่วิปัสสนาแท้เวทนานุปัสสนาก็คือการตามรู้เวทนาเวทนาอะไรปรากฏก็รู้อย่างนั้นแหละ รูอตามที่มันเป็นเช่นนั่งดีแรกนั่งแหมเดินมาเมื่อยได้นั่งแล้วรู้สึกสบายมีความสุขนั่งไปนานๆความสุขเริ่มดับเออเห็นความสุขดับไปแล้วกลายเป็นเมื่อยแทนดูเมื่อยไปเอ๊ะความเมื่อยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบานี่ไม่เจี่ยงเหมือนกันดูไปเรื่อยๆครับหายเมื่อยแล้วทำไมหายเมื่อยล่ะมันจะเหน็บชาไปเรียบร้อยแล้วหายเมื่อย เนี่ยก็แสดงธรรมะทั้งนั้นแหละไม่ใช่นั่งแบบโอ้นั่งสามวันสามคืนไม่รู้จักเมื่อยเลยสบายลูกเดียวนะอย่างนั้นมันนั่งอย่างฤาษีแล้วตอนนี้มีอะไรไม่มีไม่มีตอนที่ไม่มีอะไรให้รู้ยกเว้นตอนที่จิตตกประวังเพราะว่าจิตเนี่ยจะต้องมีอารมณ์ตลอดเวลาจิตจะต้องมีอารมณ์ กระทั่งในภาวังก็เป็นอารมณ์เก่าเรื่องอัตติตารมรลในภพภูมิดั้งเดิมเนื้อจิตจะต้องมีอารมณ์แล้วบอกเอ๊ะไม่มีอะไรให้รู้รู้ลงไปเลยครับนะรู้ลงไปเลยไม่มีอะไรรู้ในร่างกายนี้กระดูกกระดิกรู้อยู่แต่ค่นี้ก็มีแล้วจิตจะต้องมีอารมณ์เขาไม่มีอะไรจะให้รู้หาใช่ไหมเอ๊ะจะดูอะไรดีรู้ว่าหา นะไม่ใช่เราให้หาเสร็จก่อนแล้วให้ไปรู้เสรที่หลวงพ่ออาจารย์ ด, ดูดูการที่ตัวการเสร็ไม่ออกนั่นโมหะโมหะคือองค์ธรรมที่เป็นกิเลสที่ทําให้เราไม่สามารถเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้รับแรกที่รู้ว่าเผอิญร้รัแรกที่รู้ว่าเผอด้รู้ ก, ก็เข้าไปทีปฏิปักษก็มันก็รู้แต่ว่า ก็คิดว่าเองโง่มากกว่าที่ทอานไหนอย่งปกติก็รับที่นมาว่าโง่แล้วก็รู้สึว่ามันทําไปอันนี้ก็รู้อีกว่ามันทําต่อได้ของวันต่มาันแนั่นแหละดีแต่อันที่สองเนี่ยมันไม่ดูมันมันไม่เหมือนครั้งแรกเี่อารมณ์ที่รู้ว่เตะมันขึ้นมาือมันเผือใหม่เลยแล้วก็รู้ว่ามันแค่คุก แต่แฝสนี่มันมืนกับว่าเราไม่ไรู้จริงนะเราคิดแล้วลมันเป็นการแบบโมฆะเราดูไม่ออกทุกครับแต่ยังพอเผลออยู่เรารู้ว่าเผลอนี่ยถูกต้องนะเสร็จแล้วเราจะกลัวเผลอเราไม่อยากจะเผลออีกแล้วเราก็เริ่มจ้องเริ่มเพ่งเริ่มบังคับนล้วเราก็รู้ทันว่าเนี่ยจิตเกิดพฤติกรรมไปละถ้ารู้ทันอีกก็คือรู้ขึ้นมาอีกรอบเนละก็เกิดกดับไปิดับไป ไม่ว่ากูศนเกิดแล้วก็ดับอากุศลเกิดแล้วก็ดับสลับกันไปเอจ<พ>อจมรู้ว่าจม<อ>นะให้รู้ทันสภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่นั่งแก้เราปฏิบัติเนี้ยไม่ใช่เพื่อละอัตต า, าตัวต น, นแต่ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นความจริงว่าขันห้าไม่มีอัตต า, าตัวตนสักหักบางคนคิดว่าต้องทําปฏิบัติมากๆแล้วจะละอัตต า, าตัวตนได้ จริงๆไม่มีอัตตาตัวตนมาตั้งแต่แรกนะความเห็นผิดของเราทหาะที่คิดว่ามีอัตตาตัวตนแต่ว่าถ้าเศร้ารู้ลงไปในรูปกระทํานามธทํานในกายในใจดงไปเรืยจะเห็นว่าโอ้กายเป็นธาตุเป็นธาตุมาประกอบกันมีธาตุไหลเข้าไหลออกทั้งวันเลยกายไม่ใช่กายเดิมนะหายใจเข้าทีหนึงร่างกายก็เปลี่ยนวัตถุบางส่วนไปละวหายใจออกไปร่างกายก็เปลี่ยนวัตถุบางส่วนไปแล้ จิตใจก็เหมือนกันมีอารมณ์ไหลเข้าไหลออกเข้ารู้ไปเรื่อยๆในที่สุดก็เห็นแต่ว่ามีสิ่งที่เคลื่อนมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปไม่มีตัวเราสักหน่อยเดียวบังคับได้ไหมจะไม่ให้มาได้ไหมบังคับไม่ได้ยังเผลอเนี่ยใจมันจะเผลอห้ามมันไม่ให้เผลอไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าห้ามได้บังคับ ไ, ได้ก็เป็นอักตาในความจริงก็คือบังคับไม่ได้ใจหนีแวบแวบไปเรื่อยดูออกไหย หนีไปคิดบ้างหนีไปดูบ้างรู้ทันบ้างเผลอบ้างเพ่งบ้างสารพัดรูปแบบที่จะเกิดขึ้นเกิัมาคับไม่ได้สักอันเดียวเลยแล้วจงใจจงใจก็เป็นความทำลิลโลพระอีกมันเป็นรับเดียวเออจงใจแล้วก็คือโลพะรู้ทันว่าจงใจเพื่อนได้ปัญญาแล้วอยู่ที่รู้ให้ทันโน่หนีไปคิดลนะรู้ไหมคุณเนี้ยใจลอย ใจลอยรูยย้ว่าใจลอยเรารู้ทันมันไปเลยไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้อ่ะไม่มีธรรมะอะไรที่ห้ามได้ถ้าเราบังคับอะไรก็ไม่ได้แล้วทำไมาการที่เราเพยายามเรียนตัวมันจะทำให้ เ, หเขาเรียนเพราะว่าสติเนี่ยนะมันเริ่มจําสภาวธรรมได้มากขึ้นมากขึ้นนะเหตุใกล้ให้เกิดสติเนี่ยคือความสามารถเกิดจํำสภาวธรรมได้แม่นยํา อย่างเช่นโภตาเกิดหมายมันเกิดบ่อยเราจําได้แล้วว่าความโกรธหน้าตาอย่างนี้ความโกรธเกิดปุ๊บสติจะเกิดนะต่อมาเราฝึกมากเข้ามากเข้าความผัดใจความโกรธเริ่มต้นเล็กๆความโกรธตัวเล็กๆเกิดขึข้นความผัดใจเกิดปุ๊บสติรู้ทันอีกแล้วใครรู้ไปอ่ะเผลอเผลอมันเป็นอย่างนี้เองเผล อ, เอาหลงไปทางตาเป็นอย่างนี้หลงไปทางหูเป็นอย่างนี้หลงไปคิดเป็นอย่างนี้หลงเพ่งเป็นอย่างนี้นะรู้จักสภาวะมากเข้ามากเข้า เมื่อไรสติรู้ทันสภาวะ น, นั้นสติก็เกิดขึ้นมาเพราะฉั้นเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการที่สามารถจดจําสภาวะธรรมได้แม่นแม่นมากแล้วก็เร็วเกิดได้แม่นสภาวะธรรมหลากหลายเลยรูปกธรรมนามธรรมอะไรจาได้รู้จักเคยเคยรู้เคยดูแต่อย่างอารมณ์บางตัวเนี่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เข้าใจเราก็ต้องไปนั่งดูนานเลยกว่าจะเข้าใจ พอเข้าใจแล้วพอมันเกิดวัดมันรู้ทันแล้วสติจะรู้ทันอยู่ส่วนตัวที่ทําให้สัมปชัญญะเกิดสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเหตุใกล้ของมันคือสัมมาสมาธิใจต้องตั้งมัน่นะถ้าใจเราตั้งมัน่นรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันแคยๆเราสว่างขึ้นมาจากข้างในเหมือนเราเปิดสวิตตัวเองแล้วมันสว่างมาจากข้างในเวลาเราเผลอไปเราก็มืดๆ ม, ม, มัวๆนะพอเรารู้ทันเลยจะเหมือนสว่างว่ากขึ้นมาทําให้สว่างบ่อย รู้บ่อยๆเพราะถ้าตั้งใจเลยถ้าคิดว่าแม่ต้องรู้ตัวให้มากทำไมลนะ่ะรู้ตัวได้ตอนเนื่องแบบไมนะ่ตนะั้งใจวันนี้ก็ปล่อยให้ดูด้วยเองคือแบบมันดูด้วยเองเเอาสติเนี่ยนะคอยรู้ทันจิตที่สงออเอาสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น ต, ต้องมองแล้วก็คอยมีความเฉลียวใจอ่ะจ้องละรู้ทันนะรู้ทันสภาวะสติอย่างนี้เกิด อ, นะอย่างนี้คือเราเวลาเรามีคเฉลียวมอ่าอย่างผนี้เวลาดูถึงนั่นก็เรว่จะมองอารมา์ว่าอมีจะที่ต่อไปที่อย่าไปอย่าไปจ้องเลยนะ ให้มันวิ่งจะไปกลัวอะไรกับมันวิ่งก็รู้รวิ่งก็รู้วิ่งก็รู้แล้วพากันว่านี่นั่งจ้องวนวิ่นะไอ้เจ้าอย่างเงี้ยก็หลงอยู่นะนี่เรียกว่าสง่งในอจิตไม่ส่งนอกแต่จิตส่งข้างในนั่งจ้องไว้หลวงปู่เทสเรื่อสงส่งในชาววัดป่าบางทีได้ยินครูบาอาจารย์สอนอย่างส่งจิตออกนอกอ้อท่านให้ส่งเข้าข้างในท่านไม่ได้สอนนะคิดเอาเอง ธรรมะภายในธรรมะภายนอกธรรมะที่ยาบธรรมะที่ละเอียดมีค่าเท่ากันฝึกไปเรื่อยๆหลือแต่เพอกรู้เสร็จแล้ววันหนึ่งก็จะเข้าใจคําสอนของท่านทักษหมอ <c oughs> ท่านตักษหมอตอนบอกว่าเพอก็รู้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันคล้ายๆกันที่หลวงู ด, ดูลสอนว่าจิตกับสิ่งแวดล้อมะเป็นอันเดียวกัน